วันนี้มาขึ้นจูล ว, วิยหะสุตตะนิเทศที่สิบสองเนี่ยนะเล่มหกสิบหกหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดสูตรแรกนะปุราเพทสูตรนั้นเป็นพวกเทวดาพุท ธ, ธิจริตส่วนกลหะวิวาทสูตรเป็นเทวดาประเภทโทสะจริตทีนี้ก็มาขึ้นเทวดาประเภทวิตกจิริตพวกวิตกจริต มันพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธทนิมิตเนี่ยนะพระองค์ก็ถามถามปัญหาเพื่อเทวดาประเภทวิตกจริตว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกมีความอยู่รอบในทิฐิของตนของตนถือทิฐินั้นแล้วก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดต่างๆนั่นแหละคืออ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดก็กล่าวว่า บุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ทำแล้วบุคคลใดคัดค้านทำนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายัางเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ก็แปลว่าใครที่ไม่ใครคัดค้านธรรมะแนวนี้คนนั้นเลวท่านโดยสรุปนะท่านสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็เข้าถึงอะนะการว่าเข้าถึงลัทธิของเขาอ่ะอยู่จนบริบูรณ์ในลัทธินั้น มันเมื่อยึดถือลับที่ของตัวเองเนี่ยจนบริบูรณ์ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยฉลาดนะนะยกตัวว่าเป็นคนฉลาดพอยกตัวว่าเป็นคนฉลาดก็ก็ชมนะนะว่าใครที่รู้เหมือนเราพวกนั้นแหละเป็นบัณฑิดนะนะใครรู้ใครที่รู้เหมือนเราอ่ะเรียกว่ารู้ทำรรใครที่คัดค้านคัดค้านไอ้ทิฏฐิของเราเนี่ย ไอ้พวกนั้นน่ะไม่บริบูรณ์ก็ถ้าแปลตรงๆก็บอกพวกนั้นอันเลวมากเนี่ยนะเป็นภาษาริบุท่านนิเทศว่าคําว่ามีความอยู่รอบในทิฐิของตนของตนความว่ามีสมณพราหม์พวกผู้ดำเนินไปด้วยทิฐิเนี่ยนะสมณพราหม์บางพวกนั้นยึดถือจับต้องถือมั่นยึดมั่นซึ่งทิฐิหกสิบสองอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าย่อมอยู่ อยู่ร่วมมาอยู่อยู่รอบในทิฏฐิของตนของตนเปรียบเหมือนพวกเครหอขัดอยู่ครองเรือนชื่อว่าย่อมอยู่เรือนหรือว่าพวกบรรปชิตผู้มีอบัตชื่อว่าย่อมอยู่ในอบัตหรือพวกมีกิเลส ช, ชื่อว่าย่อมอยู่ในกิเลสฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความอยู่รอบในทิฐิของตนของต น, น เ, เรียกว่าเข้าถึงทิฏฐินะเรียกว่าเข้าถึงหลักการเข้าถึงทฤษฎีเข้าถึงลัทธิ ที่ที่ตัวเองวางเอาไว้เนี่ยนะเข้าถึงเงื่อนไขที่คิดครุ่นคิดวางแผนเอาไว้เรียบร้อยหมดกว่าเข้าถึงมางั้นเถอะถ้าพูดแบบสำนวนสมัยใหม่บอกเรียนจบวิชา น, น, น, นั้นนะนะสุดยอดแห่งวิชา น, นั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ยึดถือไอท้ทิฏฐิอย่างนี้ว่าถือยึดถือจับต้องถือมั่นยึดมั่นแล้วก็พูดไปต่างๆว่าคือพูดไปต่างๆพูดมีอย่างต่างๆพูดอย่างอื่นพูดมาก ไม่พูดไม่กล่าวไม่บอกไม่แสดงไม่แถลงอย่างเดียวปันทยึดถือแล้วก็พูดมากใช่ไหยพูดใดยึดถือลทัทธิใดก็ก็กโฆษณาลัทธินั้นน่ะนะเหมือนกับใครได้ยาดีอะ่ะก็อ้างเอาไว้ไปที่ไหนก็พูดถึงแต่ยาอันนั้นน่ะนะพวกถือลทัทธิถือที่ิี่ก็เหมือนกันไปที่ไหนก็จะยกแต่ที่ถี่อันนั้นแหละ คำว่าอ้างตนเป็นผู้ฉลาดความว่าอ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตอ้างตนว่าเป็นทีระชนอ้างตนว่าเป็นผู้มียานอ้างตนโดยเหตุอ้างตนโดยลักษณะอ้างตนโดยกรณะอ้างตนโดยฐานะอ้างตนโดยลัทธิเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าถือทิฐินั้นแล้วอ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดต่างๆพอยึดถือทิฐิใช่ไหมใครที่ไม่รู้ทิฐิแบบเราอะโง่แต่เราเนี่ยที่จบกระบวนวิชาเนี่ยเราอ่ะฉลาด คำว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ธรรมะแล้วความว่าบุคคลใดรู้ธรรมะคือทิฏฐิปฏิปทามรคนี้คือรู้ทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะตามลัฐที่ของเราเนี่ยบุคคลนั้นชื่อว่ารู้ทราบเห็นแทงตลอดธรรมะแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั <right> ้นชื่อว่ารู้ธรรมะแล้วคำว่าบุคคลใดคัดค้านธรรมะนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ความว่า บุคคลใดคัดค้านธรรมะคือทิฏฐิปฏิปทามักนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ไม่ครบถ้วนไม่เต็มรอบคือยังเป็นผู้เลวซามต่ำช้าลามกสกรปรกต่ำต้อยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลใดคัดค้านธรรมะนี้บุคคลนั้นชื่อว่ายังเป็นผู้ไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นพระพุทธนิมิต จ, จึงตรัสถามว่าสมณะพราหมณ์บางพวก มีความอยู่รอบในทิฐิของตนของตนยึดถือทิฐินั้นแล้วก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดพูดต่างๆว่าบุคคลใดรู้อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่ารู้ธรรมแล้วบุคคลใดคัดค้านธรรมนี้บุคคล น, นั้นชื่อว่ายัางเป็นผู้ไม่บริบูรณ์หรือว่าใครคัดค้านธรรมนี้คนนั้นน่ะเลวหวางกั น, นันก็ข่มคนอื่นหน่ยนะแล้วก็ถามตอบไปอีกว่าสมณะพราหมณ์บางพวกถือทิฐิแม้อย่างนี้ย่อมวิวาทนะน ถือทิฏฐิแล้วก็อะไรก็ทะเลาะและกล่าวว่าคนอื่นเนี่ยโง่ไม่ฉลาดวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนจะจริงเนอะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดนะทุกคนก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นคนโง่อะไรนะทุกคนก็ฉลาดทั้งหมดเลยพระสารีบุตรท่านนิเทศว่าสมณพราหมณ์บางพวกถือทิฏฐิแม้อย่างนี้ก็ย่อมวิวาสความว่า สมณพราหมณ์บางพวกยึดถือเนี่ยนะถือจับต้องถือมั่นยึดถือมั่นทิฐิอย่างนี้ย่อมวิวาทย่อมทำความทะเลาะย่อมทำความหมายมั่นทำความแก่งแย่งทำความวิวาดทำความมุ่งร้ายกันว่าท่านไม่รู้ธรรมะนี้ข้าพเจ้ารู้นะก็ถกกันนะนะถกกันในเรื่องความโง่ความฉลาดนั่นแหละถ้าท่านสา เ, าเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์บางพวกถือทิฐิอย่างนี้ก็ย่อมมีวาดนะนะ ก็มันคิดไม่เหมือนกันมาอะไรจะ้ะก็เกิดมันก็ทะเลาะกันอย่าว่าเรื่องทิฐิเลยเนี่ยนะเขามีมีโยมสามีพัญญาเนี่ยเขาเขาคุยกันบอกเราจะให้ทานนะขวางันเราจะให้ที่เนี้ยพัญญาก็บอกต้องไปให้ที่นูน่นทะเลาะกันเรื่องเรื่องผู้รับทานนะอันนี้ยังเคยได้ยินนะนณะจะทำบุญนยะยังยังถกกันอ่ะนะคุยกันอยู่ตั้งนานอนะ่ะ ว่าจะให้ที่ไหนดีเนี่ยนะเพราะต่างคนต่างขยอรกันไปเนี่ยนะแม้กระทั่งพวกที่จะให้ทานก็เหมือนกันให้อะไรนะคนหนึ่งก็จะให้อันนี้อีกคนหนึ่งก็จะให้อันนั้นเนี่ยทั้งขนาดทํากุศลธรรมดานี่ยยังยังขัดแย้งกันเลยฉันใดพวกลัทธิทั้งหลายมันจะไม่แย้งกันได้ยังไงเนี่ยนะเพราะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละฝ่ายมีความเห็นไม่เหมือนกัน เมื่อมีความเห็นไม่เหมือนกันก็ขัดแย้งกันเนนะเมื่อขัดแย้งกันอะไรจะเกิดขึ้นเพราะทุกคนก็มีดีกันทั้งนั้นไงนมีคนละฝักคนละฝักแนะดีมันกำเริบกะมาณนะก็เล่นงานกันแล้วก็ทะเลาะกันแกงแย่งกันต้องอย่างนี้อย่างอื่นไม่ใช่นนะ คำว่าและกล่าวว่าคนอื่นโง่ไม่ฉลาดความว่ากล่าวบอกพูดแสดงถแถลงอย่างนี้ว่าคนอื่นโง่เลวซามต่ำช้าลามกสกปรกต่ำต้อยไม่ฉลาดไม่มีความรู้ถึงอวิชชาไม่มีญาณไม่มีปัญญาไม่แจ่มแจ้งมีปัญญาทึบเนี่ยนะก็เลยกล่าวว่าคนอื่นนี่โง่ไม่ฉลาดทะเลาะวิวาทกันนะเมื่อตัวเองถือรัที่ก็กทาไงก็ดูหมิ่นคนอื่นนะแกนี่มันโง่ เคยมีเขาด่ากันเอ้ยคนฉลาดเอ้ยเนี่ยนะเขาจะพูดอย่างงี้ไหม ย, ยกย่องเลยนะท่านผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยนะเว้นไว้แต่พูดเน็บแนมมันนะก็เนี่ยก็มีแต่ ด, ด่ากันว่าโง่เลวซามตำช้าสกปรกตำต้อยไม่ฉลาดไม่มีความรู้ถึงอวิชชาไม่มีญาไม่มีปัญญาแจม่มแจ้งปัญญาทึบเหมือนกันไม่ไม่อะนะไงเงาอะทางเหนือเล้าเงาคอมเมนต์คือเล่าง่วงล่งวงลงวง่ล ง, ว ง, ลงวงก็แปล ว, ว่าโง่นะั่นแหละ คำว่าวาทะของสมณะพราหมณ์เหล่านี้วาทัศไหนจะจริงนาอะนะคือทุกคนเนี่ยถือทิฐิอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ปฏิเสธลทัทธิอื่นคําถามว่าของใครจริงเนี่ยนะของใครจริงพวกทิฏฐิเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะต่างคนก็ถือกันคนละอย่างคนละอย่างทุกคนก็เข้าใจผิดถือผิดเมื่อถือผิดเข้าใจผิดเนี่ยนะก็ถามว่าเออแล้วของใครจริงกันแนะ่ของใครจริงของใครแท้ของใครไม่วิปริต เพราะสมณพราหม์เหล่าน tamam. ี re um? ้ทั้งหมดต่างก็อวดตนเนี่ยนะว่าเป็นคนฉลาดทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองโง่ไหมที่ตัวเองนับถือแบบนั้นที่ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นตามลับที่ของตนของตนเนี่ยนะทุกคนมันฉลาดทั้งนั้นแหละทุกคนก็ถือว่าตัวเองเป็นบัณฑิตสมณพราหม์เหล่านั้นทั้งหมดต่างก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตอ้างตนว่าเป็นทีรชนอ้างตนว่าเป็นผู้มียาน อ้างตนโดยเหตุอ้างตนโดยลักษณะอ้างตนโดยการณะอ้างตนโดยฐานะอ้างตนโดยลัทธิของตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดต่างก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดนะสรุปที่พระพุทธเนมิธถามว่าสมณพราหม์บางพวกบางพวกเนี่ยถือทิฏฐิแม้อย่างนี้ก็ย่อมวิวาททะเลาะกันนะนะอยู่บนลัทธิคิดไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันกล่าวว่าคนอื่นเนี่ยโง่ไม่ฉลาด วาทธรรมนะวาทาของสมณะพราหม์เหล่านี้วาทาไหนจริงหนอสมณะพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดต่างก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดทุกคนก็มีดีกันทั้งนั้นนะนยจากคําถามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าข้าพระองค์ไม่อนุญาตธรรมะของคนอื่นนะนะสรุปว่าปฏิเสธหมดเลยที่คําถามนะั้นไม่อนุญาตสักคนเดียวสักลัที่เดียวพราะคนอื่นเนี่ยเป็นพาลลามก มีปัญญาเลวสมณพราหมณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นพานมีปัญญาเสื่อมสามสมณพราหมณ์ทั้งปวงนี้เทียวมีความอยู่รอบในทิฏนะก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งไม่มีดีสักลัดที่หรอกเพราะทุกคนมันอยู่บนความความเห็ น, นนะอยู่บนความเห็นผิดอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจผิดนะอยู่บนพื้นฐานของความความคิดของตัวเองเนี่ยนะเข้าใจผิด อ, อธิบายว่า ไม่อนุญาตธรรมะของคนอื่นความว่าไม่อนุญาตไม่เห็นตามไม่อนุมัติไม่อนุโมทนาซึ่งธรรมะคือทิฏฐินนะพระองค์ไม่อนุโมทนาทตามทิฏฐิหกสเหล่านั้นเลยปฏิ ป, รปรธรมมักของคนอื่นฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่อนุญาตธรรมะของคนอื่นพระองค์ไม่อนุญาตรัตทิฏฐิ62สองเลย คำ ว, ว่าคนอื่นเป็นคนพาลลามมกมีปัญญาเลวความว่าคนอื่นเนี่ยเป็นพาลเลวสามต่ำช้าลามมกสกปรกต่ำต้อยมีปัญญาเลวมีปัญญาสามมีปัญญาต่ำช้ามีปัญญาลามมกมีปัญญาสกปรกมีปัญญาต่ำต้อยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าคนอื่นเนี่ยเป็นพาลลามมกมีปัญญาเลวคาว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นพาลมีปัญญาเสื่อมสามความว่าสมณะพราหมณ์เหล่านี้ทั <S <S ้งหมดเทียว เป็นพานเลวสามต่ำชาลาโมกสกรปรกต่ำต้อยมีปัญญาเลวมีปัญญาสามมีปัญญาต่ำชามีปัญญาลาโมกมีปัญญาสกปรกมีปัญญาต่ำต้อยเพราะฉะนั้นสรุปว่า ส, าสมณพราหมณ์ทั้งหมด ท, ที่ที่เอามาถามเนี่ยเป็นพานมีปัญญาสามเพราะฉะนั้นจึงไม่อนุญาตคำว่าสมณพราหมณ์ทั้งปวงนี้เทียวมีความอยู่รอบในทิฐิความว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้อ่ะ เป็นผู้ดำเนินไปในทิฐิสมณะพราหม์เหล่านั้นะยึดถือถือจับต้องถือมั่นยึดมั่นซึ่งทิฐิ62อย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าย่อมอยู่อยู่ร่วมมาอยู่อยู่รอบในทิฐิของตนของตนทุกคนเนี่ยบริบูรณ์ด้วยทิฐิของตัวเองอะเปรียบเหมือนพวกเครหัดผู้ครองเรือนชื่อว่าย่อมอยู่เรือนอะนะเหมือนชาวบ้านอะนะอยู่บ้าน พวกบัณฑปชิตผู้มีอาบัต์ชื่อว่าย่อมอยู่ในอาบัต์หรือพวกมีกิเลส ช, ชื่อว่าย่อมอยู่ในกิเลสฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสมณพราหมณ์ทั้งปวงมีความอยู่รอบในทิฏฐิเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าข้าพระองค์ไม่อนุญาตธรรมะของคนอื่นคนอื่นเนี่ยเป็นพาลลา ม, มกมีปัญญาเลวสมณพราหมงทั้งหมดที่กล่าวแล้วเนี่ยนะเป็นพาลมีปัญญาเสื่อมทรามสมณพราหมงทั้งปวงนี่เทียวมีความอยู่รอบในทิฏฐิ และพระองค์ก็ตอบอีกต่อไปว่าก็ถ้าพวกสมณะพราหมณ์เป็นผู้ผ่องแผ้วเพราะทิฏฐิของตนเป็นผู้มีปัญญาดีหมดจดดีเป็นผู้ฉลาดมีความรู้ใช่อั น, นั้ถ้าทุกคนฉลาดกันหมดเลยนะเหมือนนบรรดาสมณะพราหมณ์พวกนั้นใครๆจะไม่เป็นผู้มีปัญญาเสื่อมรอบทุกคนจะไม่เสื่อมหรอกถ้าเก่งอย่างนั้นจริงๆอะนะเพราะทิฏฐิเป็นธรรมชาติอันสมณะพราหมณ์แม้เหล่านั้นถือบริบูรณ์อย่างนั้น หพราอะเพราะทุกคนเนี่ยถือบริบูรณ์ตามข้อปฏิบัติของตัวเองนะนะอธิบายว่าก็ถ้าเป็นผู้ผ่องแผ้วเพราะทิฏฐิของตนเนี่ยนะหมายความว่าถ้าบริสุทธิ์ได้เพราะลัทธิของตัวเองเนี่ยนะอะ่เป็นผู้ผ่องแผ้วผองไสไม่เศร้ามองเพราะทิฐิความควรความชอบใจลัทธิของตนคำว่าเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดีคือเป็นผู้ฉลาดมีความรู้ใช้อะนะคือถ้าเขาฉลาดจริงๆอย่างนั้น ก็คือถ้าเป็นผู้มีปัญญาหมดจดมีปัญญาหมดจดวิเศษมีปัญญาหมดจดรอบมีปัญญาผ่องแผ้วมีปัญญาผ่องใสอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้มีความเห็นหมดจดมีความเห็นหมดจดวิเศษมีความเห็นหมดจดรอบมีความเห็นผ่องแผ้วมีความเห็นผ่องใสเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาหมดจดดี คำว่าเป็นผู้ฉลาดก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีปัญญาหมดจดดีเป็นผู้ฉลาดคำว่ามีความรู้นะก็คือเป็นผู้มีความรู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้มีปัญญาหมดจดดีเป็นผู้ฉลาดมีความรู้